ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและรพปะพติยาณในวันนี้คงพูดเรื่องการทรมานอุุเวลากัะสปะของพระพุทธเจ้าต่อไปได้ทรงแสดงสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหารในปาฏิหารที่หนึ่งนั้น แล้ผู้มีพระเจ้าได้สัตย์เก่ารู้เวลาการสะบัดาการะบัดถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักวันหนึ่งแต่ในรู้เวลากัรสะบดก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยแต่ข้าพเจ้าหวังความสําราญจึงห้ามท่านว่าในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์เปนอสรพิษมีพิษร้ายแรงอย่าเลยมันจะทําให้ท่านลําบาก พระพุทธมีพระภาคเจ้าก็รับสั่งว่าทางทีพญานาคนั้นจะไม่ทำให้เราลำบากเอาเถิดท่านจงอนุญาตรูมูชาเฟืองพระพุทธมีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าอุรุเวลากษัตรินั้นอนุญาตให้แล้วไม่ทรงขั้นล้ามปราศจากความกลัวสเสด็จเข้าไปพญานาคเห็นพระพุทธมีพระภาคผู้แสวงหาคุณความดีสเสด็จเข้าไปแล้ว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 เมื่อตั้งสองขวายโพรงไฟขึ้นแล้วรงบูชาเพลิงรุ่งโรจน์เป็นเปลวเพลิงผู้จะ ด, ดินกล่าวกันว่าชาวเราระมาสมนาูปงามคงูกพยานาาเปลี่ยนเปลี่ยนแน่คั้นราตีผ่านไปเปลวไฟของพญานาคไม่ปรากฏแต่เปลวไฟสีต่างๆของพระผู้มีประภาคกู้ทรงฤทธิ์ยัยงสถิตยอยู่ พระรัศมีสีต่างๆคือสีเขียวสีแดงสีหงส์สะบัดสีเหลืองสีแก้วผลึกปรากฏที่ประกายพระอังพีรุพระเจ้าทรงขนดพญานาคทรงขดพญานาคไว้ในบาททรงแสดงแก่พราหมณ์ว่าบุก่อนคาสปะนี้พญานาคของท่านเราก็งำเด็กเข้ามันด้วยเด็กของเราแล้วครั้งนั้นในวิเวากคาสปะเริ่มสายยิ่งหนัก อิทธิบาติหารของพระผู้มีพระภาคแต่ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่สมาสำนนะนิมนอยู่ในที่นี้แหละครับเจ้าจะาบํารุงท่านด้วยพัฒตาหารประจํานี่ก็เป็นปาติหารข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นการแสดงแบบอิทธิปาติหารจริงๆอิทธิปฏิหารส่วนใหญ่ก็จะใช้แนวของกสินใจพวก ในที่นี้ก็ทรงใช้เตโชกสินเตโชกสินก็คือกระสินไฟแต่ไฟที่เกิดจากฤทธิ์อย่างนี้ไม่ได้ไฟที่จะไหม้บ้านไหม้เมืองได้นะคือไม่ได้ไหม้หรอกก็เจาะจงให้มันเกิดที่ไหนมันก็เกิดอยู่ตรงนั้นก็เป็นผลจากจิตที่ฝึกมาดีแล้วแล้วก็มีข้อที่น่าสังเกตสังเกตก็คือรัศมีต่างๆ คือหนึ่งสีเขียวสองสีแดงสามสีหงส์สะบาดสี่สีเหลืองห้าสีแก้วประหลึกปรากฏแก่ประกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสีเขาเรียกว่าฉพันธ์รังสีคือมีสีหกสีปรากฏแต่ว่าในที่นี้ท่านบอกไว้เพียงเพียงห้าสีคือมันก็ต้องมีหกสีนะครับเราจะเห็นว่าในการสอนธรรมะเนี่ย บางคนมันต้องใช้วิธีการกำราศก่ขขอนคือมีการพรยองลําพองมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างท่านอุรุเบยากาจปะนี่ท่านอ่อนโยนมาเยอะนะพอเจอปฏิปิษฐานพ้อแรกขึ้นมาเท่านั้นแต่ว่าจุดใหญ่ใจความเนี่ยคือท่านมาสรุปว่าแต่พระมหาสมณะนี้ไม่เป็นประหารเหมือนเราแน่การที่ท่านเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระมหาสมณะ พอได้แรงเห็นถึงว่าปุคิริกภาพของพระพุทธเจ้าคือเอาจริงๆนยังไม่รู้จักกันนะนะไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันท่านก็เรียกหมาสมณะพระพุทธเจ้าเรียกว่ากัดสปะเที่ยก็รู้กัดเรียกว่ากัดสปะพระพุทธเจ้านั้นรู้รู้จักท่านแต่ท่านอาจจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยังเรียกหมาสมณะอยู่แต่เราเนื้ดูว่าการเรียกนั้นก็แสดงว่าเรียกด้วยความเคารพนับถือ แล้วก็สักธาในปุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านเปลี่ยนความคิดแต่การปฏิเสธเป็นขอให้พระพุทธเจ้าอยู่ประจำแล้วท่านจะทนุบําดุงด้วยปัจจัยสี่เองคือเราผิดชอบเรื่องความเป็นอยู่เองพุทธเจ้าก็สงรับด้วยดุษณีนะฮะเพราะว่าที่เสด็จมานี่ต้องการจะ เทศนาโปรดทันชดินทั้งสามพี่น้องเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังเทศไม่ได้เพราะว่าต่นมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระหารแต่พวกท่านเป็นพระหารต่อมาขนาดนี้มันก็ยังพูดกันไม่ได้นะเพราะว่ามันมีมานณคือความกระด้างถือตัวตวนันดีกว่าคนอื่นอยู่ในปาฏิหาริย์ที่สองขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นไภัยสวนแห่งหนึ่ง ไม่ไกลจากอาสมของชดินรู้เวลากาสปะครั้งท้ามาราชทั้งสีเมื่อราจีปฐมพยามผ่านไปแล้วเปร่งรัศมีงามยังไพศสนทั้งสิ้นในสว่างสวยแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นถึงแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคได้ยืนเฝ้าอยู่นาทีทั้งสี่ดูดกองไฟใหญ่ฉะนั้นต่อมารู้เวลากาสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อรุ่งเช้านะ ท่านถึงแล้วจึงได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วมาสมณพัตาหารเสร็จแล้วพวกนั้นคือใครกันหนอเมื่อราตีปตุมยามผ่านไปแล้วมีรัชมีงามยังไปสนทั้งสิ้นในสว่างสวยัยเข้าไปหาท่านกันถึงแล้วปฏิวาติท่านได้ยืนอยู่ในสีทิดจุดกองไฟใหญ่ฉะนั้นพเจ้าก็รับสังว่าเป็นเท้าจาตุมาราทั้งสี่ามาหาเราเพื่อฟังธรรม รู้เวลกษัตริย์ได้มีความดำริว่าประมาณสนะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากถึงกับท้ามาลายาทั้งสีเข้ามาหาเพื่อฟังธรรมแต่ไม่เป็นพระหรันเหมือนเราแน่นั่นก็แสดงว่ายัางมีความกระด้างยังรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอยู่พูดไปพูดมาก็จริงท่านก็เก่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่เป็นพระหรันพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระหรัน ครังนั้นพ็บุีพระภาคสเสวยพระตาหางของชะดินรู้เวลากัตปะแล้วประทับอยู่ในภัยสนตาบนนั้นแหละนี่ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าเป็นหลักในการอยู่ง่ายบำรุงง่ายหมายความชะดินก็ถวายอะไรก็ฉันไปชะดินนั้นเป็นพวกทรมารร่างกายนะอาหารก็คงจะไม่ก่อยออสมบูรณ์อะไรเท่าไรหรอก แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ติดในเรื่องเหล่านี้ก็เรียกว่าอย่างอัตภาพไปเป็นไปก็ถือว่าสมเ็ตประโยชน์แล้วต่อมาก็เป็นปาธิหารที่สามนะครปาฏิหารที่สามก็ครั้นท้าส ก, กะผู้เป็นจอมเทศเวลาจีปสมยามล่วงไปแล้วเปล่งรัศมีงามอย่างไพรสนทั้งสิ้นในสว่างสวยเข้าไปภาพพระพุทธมีพระภาค ันถึงแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีประภาคยืนประทับอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งจุดกองไฟใหญ่งามและประนี่กว่ารัชมีแต่ก่อนต่อมาชดินรู้เวลากัรตบะเขาคาบตัวข้าวมุนเดิมแล้วกลาบทูลถามกลับทูลเพื่อไปเสเวยพระตาหารนะครับแล้วก็ถามว่าใครที่มาเฝ้าพระองค์ในตอนผ่านปฐมยามไปแล้ว เป ล, งล่งรัศมีงามยังไปส่นทั้งสิ้นในสว่างสวัยเข้ามาหาท่านกนถึงแล้วพิวาสท่านได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งหคือกองไฟใหญ่งามและประณี ก, กว่าแต่กว่ารัชมีแต่ก่อนพระเจ้ารับสั่งว่าเป็นเท้าสกัดเทวราชมาเฝ้าพระองค์เพื่อจะฟังธรรมแต่ก็คิดอีกกคิดเหมือนเดิมอีกว่ามาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแพ้ถึงกับเท้าสกัดจอมเทศ เข้ามาหาเปึกฟังธรรมแต่ก็ไม่เป็นระหารเหมือนเราแน่นี้ก็เป็นปาฏิหารนะครัพระพุทธเจ้าทรงสแสดงปาฏิหารก็เป็นเป็นอิทธิปาฏิหารแต่ที่จริงแล้วเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเพราะว่าในยามเที่ยงคืนเนี่ยมีเทวดามองภาพพระพุทธเจ้าเป็นปกติ มาเฝ้าแล้วก็กลับไปเร็วเพื่อมาเพื่อฟังธรรมในสำแนักของพระองค์แล้วก็กลับไปเร็วตพรนั้นในการที่ท่านเหล่านี้มามาเฝ้ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรต่อมาก็ถึงเวลของเท้าสามบดีพรมมาโดยทํานองเดียวกันนั่นเองแล้วก็มีรัศมีรุ่งเรืองมากกว่ารัศมีของเท้าสะกะเทวราชเท้าสมบดีพรมก็คือด้านที่มากราบทูลาราตนาให้พระเจ้าทรงแสดงธรรม โคดสัตว์ตัวโลกเมื่อตอนเสร็จประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ในสถานที่ต่างๆเสด็จประทับอยู่ที่ต้นไทรเชื่อแต่ปานิโครดนั้นเองท่านพอรุ่งเช้าท่านชดินรู้เวลากสจปาก็ได้เข้าเฝ้าพระภู้มีพระภาคขั้นแล้วถึงแล้วจึงได้ทูลคํานี้ตอบพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วมาสำนักพรตาหารเสร็จแล้ว ผู้นั่นคือใครกันหนอเมื่อราจีปัตมยามผ่านไปแล้วเป็นรัศมีงามอย่างไพศนลทั้งสิ้นในสว่างสวัยก็ามาหาท่านกันถึงแล้วตวายพิวาได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งุดกองไฟใหญ่งามและประนีกว่ารัศมีแต่ก่อนพเจ้ากรับสั่งว่าเป็นเท้าสัมดีพรมมาเพื่อจะฟังธรรมจากพระองค์ท่านก็เริ่มสนใสโดยนัยดังกล่าวนะฮะหรือข้อความตรงนี้ก็ซ้ำๆกัน ว่ามาสำนา้านี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับท้าสา ม, มดีพรมข ม, มาเฝ้าเพื่อฟังธรรมแต่ก็ไม่เป็นทหารเมืองเราแน่นี่มาถึงสี่ครั้งแล้วนะฮะสี่ครั้งแล้วแต่ท่านก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ในตตอมานี้ชัน ด, ดินรู้เวลากระสปะได้เตรียมบูชายันเป็นการใหญ่มาทนชาวอังคามาโคตทั้งสิน้นถือของเกี้ยวของบริโภคเป็นอันมาก ายหน้ามุ่งไปหาจึงชัน ด, ดินรู้เวลากระสปะได้ดำริว่าบัดนี้เราได้เสี่ยมการบูชายันเป็นการใหญ่ ช, ชายประชาชนชาวังค่าและมกตทั้งสิน้นได้นำของเคี้ยวของบริโภคเป็นนันมากายหน้า ม, มาหาถ้าหมาสมณะจักทำอิทธิฤทธิปฏิหารในหมู่หมาชนลาบสักการะจักเจริญขึ้นยิ่งแก่หมาสมณะลาบสักการะของเราจักเสื่อม ทำยังไงนะวันพรุ่งนีม้มาชมนะ จ, จึงจะไม่มาฉันเพราะงั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบบริวตตกแห่งจิตของฉดินุรุเวลากาจปะโดยพระไถยแล้วเสด็จไปอุตรกุรุทวีปทรงนำบิณฑบาตมาจากอุตรกุรุทวีปนั่งแล้วสเสวยที่ริมสาอนุดานประทับรลางวันอยู่นาะที่นั้นแหละคันลุ่มราจีนั้นชดินอุรุเวลากตปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ครั้งถึงแล้วได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณะปฏตาหารเสร็จแล้วเพราะเหตุไรหนอวันนี้ท่านจึงไม่มาเป็นความจริงพวกข้าพเจ้าระ ล, ลึกถึงท่านว่าเพราะเหตุไรหนอมหาสมณะจึงไม่มาแต่ส่วนแห่งขาธิยาหารข้าพเจ้าได้จัดไว้เพื่อท่านพระผู้มีพระภาคก็ย้อนถามว่ากัสริย ท่านได้ดำริอย่างนี้ไม่ใช่หรือว่าบัด น, นี้เราได้เตรียมการบูชายันเป็นการใหญ่และประชาชนชาวอังคะและมะคตทั้งสิ้นได้นำของเคี้ยวและของบริโภคเป็นนั้นมากว่ายหน้ามาสู่ถ้ามาสัมนะาจากทำอิทธิปาฏิหารในหมู่มหาชนลาบการ่าจากเจริญยิ่งแก่มาสมณนรลาบสการาของเราก็จะเสื่อมโอทามหนวันนี้มาสมนจึงจะไม่มาดูก่อนกัสะปะ เรานั้นแลทราบปริวิตกร ข, ของท่านด้วยใจของเราจึงไปอุตรกุรุทวีนําบินาบาบมาจากอุตรากุรุทวีนั้นมาฉันทะริมสาอนุดาษแล้วไปพักกลางวันอยู่ณที่นั้นแหละอุรอ ก, กัสปะก็คิดคิดเหมือนเดิมนะว่าผาสานันี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจึงได้ทราบความคิดนึกคิดแม้ด้วยใจใได้แต่ไม่เป็นผางเมื่อเราแน่ขณะนั้นรพนระผู้มีพภาคเจ้า สเสวยพัฒตาารของชา ด, ดินรูเวลากาศะแล้ประทับอยู่ณภัยสนตะบนนั่นแลนี่ก็เป็นปาฏิหารข้อที่ข้อที่ห้านะฮก็โดยสมัยนั้นผ้าบางสกุลบางเกิดขึ้นแกพร ะ, ระผู้มีพระภาคตรงจึงได้ทรงดำริว่าเราจะพึงสักผ้าบางสกุลณที่ใด ห, หนอลำดับนั้นเท่าสากะจอมเทศทรงทราบประดาริในพระไทยของพระผู้มีพระภาค จึงขุดสระโบกนีด้วยพระหัตแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดซักผ้าบังสกุลในสระนี้ที่นั่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่าเราจับพึงขยําพ้าบังสกุลณ์ที่ไรหนอลำดับนั้นเจ้ากระเาศจอมเทพทรงดำริในพระไทยของพระภูิมีพระภาคด้วยพระไทยของหลวงแล้วยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางพรางทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาค โปรดทรงขยำผ้าบางสกุลบนศิลาแผ่นนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่าเราจะพึงพาดผ้าสังผ้าบางสกุลไว้ณนะที่ใดหนอดังนั้นครา้งนั้นเทวดาที่สถิต ด, ดูที่ต้นกลุ่มบกทราบดำริในพระทัยของพระภู้มีประภาคโวยใจของตนจึงน้อมกิ่งกลุ่มบกลงมาพลางกราบพูนว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระภู้มีพระภาคโปรดทรงพาดผ้าบางสกุลไว้ที่กิ่งกลุ่มนี้ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงดำริว่าเราเกลืพ่พึ่งพื้ผ้าบางสกุลหน้าที่ใดหนอะลำดับนั้นทาสะกะจอมเทพทรงทราบ ป, ปริดำดำริในพระไทยของพระผู้มีพระภาคโดยพระไทยของหลวงแล้วยกแผ่นศิลาใหญ่มาวางไว้พรางกราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงพึ่งผ้าบางสกุลบุญแผ่นศิลานี้หลังจากนั้น พอรู้เวลากาตาตะได้เข้าไปคว้าพระผู้มีพระภาคโดยร่วมราศีนั้นกันแล้วจึงได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วมาสำนักพตาหารเสร็จแล้วเพราะเหตุใดน้อมาสำนะเมื่อก่อนสระนี้อไม่ไม่มีที่นี้เดี๋ยวนี้มีสระอยู่ที่นี้เมื่อก่อนศิลาเหล่านี้ก็ไม่มีวางอยู่ใครยกทีลาเหล่านี้มาวางไว้เมื่อก่อนกิ่งต้นกลุ่มบกนี้ก็ไม่น้อมลงเดี๋ยวนี้มีกิ่งน้อมลง พผู้มีพระภาคเจ้าก็แั้ว่าดูก่อกัดสปะผ้าบางสกุลจะ่มันเกิดขึ้นแล้วแก่เราณที่นี้เรานั้นได้ดําริว่าจะปรุงสักผ้าบางสกุลณที่ไหลหนอ่อั้งนั้นเท่าส ก, กัดจอมเทศก็ทรงทราบความดําริภายในใจของเราด้วยพระทัยของพระองค์จึงทรงขุดสะบุกข์นี้ด้วยพระหัตของพระองค์ รัชจัดบอกแกเราว่าพระวุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงซักผ้าบางสกุลในสถานี้สถานี้อันผู้มิใช่มนุษย์ได้ขุดแล้วด้วยมือดูก่อนกัดสะปะักเราได้ดังริว่าจะพึงขย้ำผ้าบางสกุลณที่ไ ห, หนอครั้งนั้นเราจะกะจอมเทพทรงทราบความดังริในจิตของเราด้วยปฐัยของหลวงแล้วได้ทรงยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้ โดยทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรทรงขยมผ้าบางสกุลบนจีลาแผ่นนี้ธีลาแผ่นนี้อันผู้ไม่ใช่มนุษย์ได้ยกมาวางไว้ดุก่อนกัดสปะเรานั้นได้ดำริว่าจะฟึงผ้าผ้าบังสกุลณ์ณที่ไรนหนอครั้งนั้นเทาดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นกุมบกทราบความนัีดิในจิตของเราด้วยใจของตนแล้วจึงน้อมกิงกุมลงมาโดยทูลว่าพระ พุทเจ้าข้าขอพระผู้มีประภาคโปรดทรงพาดผ้าบางสกุลไว้บนกิ่งกลุ่มนี้ต้นกลุ่มบกนี้ประหนึ่งจะทราบว่าจะกลาบทูลว่าขอพระองค์ทรงนำพระหัตมาแล้วน้อมลงดูก่อนกัสปะเรานั้นได้ดำริว่าจะพึงพึงผ้าบังสกุลณที่ไร ห, หนอะครั้งนั้นท้าวสก่าจอมเทศทรงทราบดำริแห่งกิตของเราแล้วพระไถยด้วยพระไถยขององค์แล้วได้ยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้ โดยทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดพึงผ้าบางสกุลบนศิลาแผ่นนี้ศิลาแผ่นนี้อันผู้มีช่มนุษย์ได้ยกมาวางไว้ขณะฉดินก็คิดแบบเดิมนะฮะแต่สรุปลงไปด้วยคำว่าแต่ไม่ใช่เป็นประหารเหมือนเราเหมือนเดิมหรือหมายความว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะฮะท่านตั้นก็ไปคิดอย่างนั้นได้ทุกทีแล้วในที่สุดมันก็เกิดอาการที่เรียกว่าชนะ จิตใจมันไม่พร้อมที่จะฟังธรรมทั้งๆที่จริงๆก็คงจะอ่อนโยนอยู่ลงไปบ้างแล้วแต่ว่าด้วยมานะของคนที่เป็นคณาจารย์เจ้าลัชชิที่มีลูกศิษย์ลูกหาถึงห้าร้อยเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่ก็มีข้อที่ควรสังเกตนะฮะคือว่าสแสดงว่าท่านติดตามสังเกตพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดจึงรู้เรื่องตลอดแล้วก็เรื่องอย่างมานิมนต์ไปเสวยเนี่ย ก็น่าจะให้มั่วไปเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ก็ได้แต่ว่าก็ทตั้งกรมาเองแสดงถึงอัดยาสัยที่อ่อนโยนไม่จะธรรมดาเหมือนกันเปลี่ยงแต่ว่าอาจจะไปเกี่ยวอยู่คือยึดติดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งที่ไม่พร้อมจะยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสนาข้อต่อไปปฏิหารเก็บผลว่าเป็นต้น ครั้งร่วมราตีไปแล้วเจดินทรุลบราชสปะได้เข้าไปว้าพระผู้มีประภาคครั้นถึงจึงกราบทูลพัฒการแต่พระผู้มีประภาคว่าถึงเวลาแล้วมหาชมานะพัตาหารเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ว่าบุคณ์คัสปะท่านไปเถิดเราจะตามไปพระผู้มีพระภาคทรงสรงเจดินทรุลบราชสปะไปแล้วทรงเก็บผลว่าจากต้มว่าประจำชมภูทวีปแล้วเสด็จมาประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงก่อน เจดีโนรุเวลากาจะปะได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงแล้วได้ทูลคํานี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่มาซัมนาท่านมาทางไหนข้าเจ้ากลับมาก่อนท่านแต่ท่านอยังมานั่งในโรงบูชาเพลิงก่อนปาฏิหาริย์ในลักษณะเนี้มันเป็นแนวที่เราเรียกว่าเป็นมโนมนยิบที่กับอิทธิบิธิคือไปปั๊บ เรียกว่เหมือนก็คู่แขนเข้าเหยียดแขนออกออกจากที่หนึ่งไปปรากฏในที่หนึ่งปั๊บเดียวแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาได้นี่ก็ต้องการที่จะกำราบรู้เวลากสปะนะฮะต้องแสดงปาฏิหาริย์เยอะเพราะว่ามันเป็นประการใหญ่ที่จะลุยเข้าไปในกรุงราชเครือหรือถ้าหากว่าเอาพวกนี้เป็นลูกศิษย์ไม่ได้มันก็ทํางานยากเหมือนกัน แต่ว่าคนเหล่านี้ทั้งก็กระด้างนะฮะพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ปฏิหารนาน า, นาปาฏิหารซึ่งแต่และเ่องเนี่ยมันเป็นการพบเห็นระหว่างรู้เวลากระสบะกับบริวารและพระพุทธเจ้าคนอื่นก็ไม่รู้เห็นเพราะาจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปของท่านรู้เวลกระสบะกับบริวารก็เปลี่ยนแปลงเพราะไปได้เห็นความจริงดังนั้นแล้วก็รักษาว่า เราส่งท่านไปแล้วได้เก็บผลว่าจากต้นว่าประจำชมพูตะวีปแล้วมานั่งในโรงบูชาเพลิงนี้ก่อนดูก่อนกัาศปะต้นว่านี้แหลสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นรส ถ, ถ้าท่านต้องการเชิญบริโภคเถิดรู้เวลากาสบะจะเลยสมณะท่านนั่นแหละเก็บผลไม้นี้มาท่านนั่นแหละตรงฉันผลไม้นี้เถิดลำดับนั้นฉะดินรู้เวลากสศบะได้มีความดําริว่าไม้สมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ พระสงฆ์เรามาก่อนแล้วยังเก็บผลว่าจากต้นว่าประจําชมพูตะพีบแด้มานั่งในโรงบูชาเพลิงก่อนแต่ก็ไม่เป็นทหานเหมือนเราแน่ขรันั้นก็ผู้มีพระภาคประทับเสวยพัตตาหารของช ด, ดินรุ่เวลากระสบัดแล้วก็ประทับอยู่ในไพศสนนั่นแหละครั้นล่วงครั้งลาจีล่วงไปแล้วอุรุเวลากระสบัก็ไปแจ้งเวลาพัะตาหารของแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระบุมีพระพาเจ้าก็ส่งชะดินรู้เวลากระตปากกลับไปก่อนแล้วก็พระองค์ก็เสด็จไปเก็บผลมะม่วงบ้างผลมะขามป้อมบ้างผลสมอบ้างในที่ไม่ไกลต้นว่าประจำชมพูทะวีตนั่งเสด็จไปสู่ดาวดึงสปิภพจงเก็บโปรออปาลิจัตตกะแล้วมาประทับนั่งอยู่ที่โรงปูชาวไฟก่อนก็โดยในย่าเดิมนั่นเองหมายความว่าไปเปลี่ยนสถานที่ไปต่างๆ แล้วก็มาบอกเล่าให้อุรุเวลากาตาปาทราบแต่อุรุเวลากาตปาก็บอกว่าก็ก็มีความคิดว่านะฮะพระพุทธเจ้ารับสัว่าตุกคอนคตปะเราส่งท่านแล้วได้ไดสู่พบดาวปดึงเก็บดอกปริชาติกะแล้วมานั่งในรมวิชาเพลิงก่อนท่านาาาตุกคอนคตปะดอกรปริจจติกะนี้แลสมบูรณ์ด้วยสีและกลิน่นก็ทําให้ท่านทึ่งแต่ท่านก็มีความรู้สึกว่าหมาํานานี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ พระสมเรามาก่อนแล้วไปสู่พบดาวดึงเก็บดอกปริจจตกามามานั่งในโรงบูชาเพลองก่อนเราแต่ก็ไม่เป็นผ่านเหมือนเราแน่นี่ก็คือบทสรุปที่ท่านลงมาอย่างนี้ทุกทีซึ่งก็คงมีปัญหาคาใจอยู่อีกต่อไปั้งฟังทั้งหลายใต้ร่มประโพธิญาณในวันนี้ขอุติไว้โด ย, ยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง ง, งามไปบูรในธรรม จะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี